อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ118 1. งสิ่ภิกษุเก็บไว้แล้วจึงไป 2. ภิกษุใช้ให้เก็บไว้แล้วจึงไป 3. ภิกษุบอกมอบหมายไว้แล้วจึงไป 4. ภิกษุผู้ไม่เก็บเสนาสะนะที่มีเหตุบางอย่างขัดขวาง 5. ภิกษุเกิดห่วงใยไปยืนในที่นั้นบอกมอบหมาย 6. ภิกษุผู้มีเหตุบางอย่างขัดขวาง 7. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุูต้นบัญญัติทุติยเสนาสนะสิขาบทที่ 5. จบ